พุทโวสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะกลับมาแล้วนะคะสำหรับชาวคณะที่เดินทางไปสังเวชนียสถานกับทางวัดป่าดอนหายโศภภายใต้การนำของหลวงพ่อด็อเตอร์สอาดิโตภาโสและพระมหาบูรบ์อภิปุนโนซึ่งได้ให้ธรรมะกับท่านฟังเป็นประจำอยู่ในรายการนี้พร้อมทั้งดิฉันสันสนิน่าพงด้วยในการสันสนิสนทนาก็กลับมา เพื่อทำหน้าที่ดังที่ได้สัญญากันเอาไว้นะคะสำหรับคนที่ไม่ได้ร่วมทางไปว่าจะมาสรุปให้ฟังสรุปให้ทราบว่าประสบการณ์จากการไปครั้งนี้เป็นอย่างไรกันบ้างแต่ก็ขอรักษาประเพณีของรายการนะคะที่จะขึ้นต้นด้วยการนําทุกท่านปฏิบัติธรรมกันก่อนหลังจากที่ได้พบกับพระมหาภัยบูอภิปุลโนโลแล้วกรานวส ก, การค่ ะ, คะท่านคะเจมาน ก่อนที่เราจะมาเริ่มฟังธรรมกันเป็นเรื่องพเดาวก็ให้มีการปฏิบัติธรรมกันซักนิดหนึ่งแต่ในการปฏิบัติธรรมครั้งนี้ก็คือให้เราตั้งสติขึ้นธรรมะที่ผ่านเข้าสู่หูของเราทรงจำเข้าใจได้ในสมองจะเดินทางเข้าสู่จิตสู่ใจของเราได้เราต้องมีการตั้งสติเอาไว้การตั้งสติขึ้นได้นี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงเครื่องมือที่ท่านให้ไว คืออนุสติทั้งสิบอย่างอย่างที่เราได้เคยได้ยินเช่นอานาปานาสติบ้างมรณสติบ้างและในวันนี้เราจะเจริญพุทธานุสติกันคือการที่เรามาระลึกนึกถึงการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าบุคคลที่มีความมั่นใจความลงใจความเชื่อใจว่าพระพุทธเจ้านั้นตรัสรู้จริงๆได้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้การที่เราระลึกตั้งจิตไว้อย่างนี้นี่แหละ เรว่าเป็นพุท ธ, ธานุสติพระพุทธเจ้าของเราสร้างเหตุมาอย่างไรอย่างไรจึงสามารถมาตรัสรู้มาเป็นสัมมาสัมพุท ธ, ธาได้ท่านได้เคยอธิบายเอาไว้ถึงเรื่องของการบำเพ็ญบารมีท่านได้ตรัสไว้อย่างนี้บอกว่าบารมีใดๆอันเราสั่งสมแล้วในระยะการนับได้สอสงไขแสนกลับ บารมีนั้นทั้งหมดเป็นเครื่องบ่มโพธิญาณให้สุขบารมีที่เราประพฤติแล้วในภพน้อยใหญ่ในกับก่อนๆ น, นั้นจงงดไว้ก่อนก็ได้จะกล่าวแต่เฉพาะบารมีที่เราประพฤติในกับนี้คือในการนั้นเราเป็นดาบทชื่อว่าอกิติ อาศัยอยู่ในป่าหลวงอั้นสงัดเงียบว่างจากคนไปมาในการนั้นด้วยอำนาจการบาเพ็ญตบะของเราเท้าสักกะผู้เป็นใหญ่ในไตรทิพได้ร้อนใจจนทนอยู่ไม่ได้แล้วเธอแปลงเพศเป็นพรามมาขออาหารกัเราเราเห็นพรามนั้น ยืนอยู่แทบประตูของเราจึงให้ใบไม้อันเรานำมาจากป่าไม่มีมันและไม่เค็มไปทั้งหมดกรันให้แล้วก็คว่มป่าชนะเก็บและไม่ออกแสวงหาใหม่เข้าสู่บรรณาศาลาแล้วในวันที่สองและที่สามพรามนั้นก็มาขอกับเราอีกเราไม่ได้มีจิตวันไหว ไปจากเดิมไม่ได้อ่อนอกไม่ได้อ่อนใจให้ไปหมดทั้งผาชนะอย่างเดียวกันกับวันก่อนแต่ความสุดโทมแห่งผิวพธุน์ในสรีรักของเราจะมีเพราะเหตุอดอาหารนั้นก็หาไม่เราฆ่าเวลาเป็นวันวันนั้นได้ด้วยความยินดีโดยสุขอันเกิดจากปีติ หากว่าเราได้ปฏิกาหกคือผู้รับอันประเสริฐตลอดเวลาตั้งเดือนหรือสองเดือนเราก็จะคงมีจิตใจไม่วันไหวไปจากเดิมไม่อ่อนอกไม่อ่อนใจและให้ทานอันสูงสุดได้สม่ำเสมอเมื่อเราให้ทานแก่ปรามนั้นเราจะได้ปรารถนายศหรือลาบก็หาไม่ เราปรารถนาอยู่ซึ่งสัพพัญยุตยานอันจะเกิดได้เพราะการถูกบ่มโดยท่านนั้นจึงประพฤติแล้วซึ่งกรรมทั้งหลายเหล่านั้นในการอื่นอีกเราได้เป็นพรามนามว่าสังขะได้ไปที่ท่าเรือเพื่อเดินข้ามมหาสมุทรได้เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้า ท่านผู้นั้นเดินทางอันกันดารไปท่ามกลางพื้นทรายอันร้อนจัดเราเห็นท่านสยามผู้ผู้นั้นในขณะที่ท่านเดินทางอยู่เกิดความคิดขึ้นในใจว่านาบุญนี้อันเราผู้แสวงบุญมาถึงเข้าแล้วโดยลำดับก็เมื่อชาวนาได้เนื้อนาอย่างดีแล้วยังไม่หวานพืชลงในนานั้น ก็แปลว่าเขาไม่ได้เป็นผู้มีความต้องการด้วยเข้าเปลือกนี้เป็นชันใดเราก็จะเป็นชั้นนั้นถ้าหากว่าเราเป็นผู้ต้องการบุญเห็นหน้าบุญอันสูงสุดแล้วก็าหาลงมือประกอบกรรมนั้นใหม่เราคิดดังนี้แล้วจึงลงจากรองเท้ากราบที่บาทของท่านสยามพู คือพระปัาเจกผูธเจ้านั้นแล้วถวายร่มและรองเท้าของเราเพราะกรรมนั้นในชาตินี้เราจึงได้เสวรสุ์เป็นสุกุมาราชาติยิ่งกว่าตั้งร้อยเท่าและทั้งเป็นการทำทานบารมีของเราให้เต็มเราจึงให้ทานแก่ผู้เช่นนั้นและเมื่อเรามาเลึกถึงเรื่องราวต่างๆ ที่พระพุทธเจ้าของเราได้บําเพ็ญบารมีในอดีตชาติการระลึกถึงเหตุต่างๆเหล่านี้จะทําให้เรามีความมั่นใจในการตรัสรู้ของท่านได้อันนี้เป็นพุท ธ, ธานุสติซึ่งเราสามารถที่จะเจริญอยู่ได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเรียบทใดๆก็ตามเรื่พอพร้อมสาธุ ค, ค่ะคือจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าในลักษณะ ใดก็ได้ใช่ไหมคะถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระองค์จริงๆที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรคะคุณลักษณะของพระพุทธองใช่คุณสมบัติต่างๆของท่านเพราะฉะนั้นคุณสมบัติต่างๆที่ท่านมีมาที่ท่านเล่าเองก็มีที่คนอื่นยกย่องท่านก็มีเช่นบางทีเท้าสักกะยกย่องท่านหรือมานกคนนั้นคนนี้หรือท่านพระอ น, นุนหรือท่านพระสารีบุตรเนี่ยยกย่องพระพุทธเจ้าเรื่องความที่ท่านดีอย่างนั้นอย่างนี้ก็มีเรารลึกถึง คุณธรรมต่างๆเ่าเนี้ยอันนี้เป็นพุท ธ, ธานุสติแน่นอนค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพคะในการเดินทางไปสังเวชนียสถานเนี่ยก็มีโอกาสาที่จะระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้ากันอยู่ตลอดเวลาหละนะคะเพราะว่าเราได้เดินทางไปในสถานที่สำคัญสคัญของท่านเดี๋ยวดิฉันกับท่านเพรบุญเนนะคะจะค่อยๆลำดับไล่เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังกันดิฉันก็ ไม่ได้ทราบวิธีการจัดการมาก่อนนะคะท่านตื่นเต้นมากเลยค่ะตอนไปถึงสนามบินเห็นคนที่ดูก็รู้ว่าเป็นคนจะไปกับคณะของเราเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะคะ mm hmm. แล้วก็ท่านไปบูร์เนี่ยนั่งเป็นประธานในการจัดการเป็นผู้อำนวยการใช่คานี้หรือเใช่าใช่ใช้ได้ไหมคะได้การในทางของพวกเราเป็นการเช่าเหมาลำเครื่องบินไทยสมายไป<ช>ทั้งไปทั้งกลับ มีผู้ร่วมเดินทางหนึ่งร้อยหกสิบสี่คนเป็นพระสงฆ์สิบสามรูปถูกไหมคะเอ่อสิบห้ารูปเอ่ 14, อสิบสี่แล้วก็เนนหนึ่งสิบสี่เนนหนึ่งอ๋อสิบสี่บวกเนนหนึ่งใช่ไปปุ๊บเราก็ตรงกันไปที่แห่งแรกสำหรับการจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าในตอนต้นของการเป็นพระพุทธเจ้าเลยนั่นก็คือสถานที่ตรัสรู้พุทธคยานิมนต์ท่านเลยคะ่ะเราไปสถานที่ที่พุทธคยานั้นก็ไปถึงตั้งแต่ช่วงสายๆแล้วก็ รับประทานาหารกันก่อนใช่แล้วก็เข้าไปที่ต้นพระศรีมหาโพในช่วงทเที่ยงเที่ยงบ่ายโมงตรงนั้นอพอไปถึงที่นั่นแล้วก็สมาทานศีล8ปดแต่ที่เราสมาทานศีล8เนี่ยจุดประสงค์ก็คือว่าให้การปฏิบัติธรรมนั้นมันได้ผลเต็มที่อย่างอื่นๆอย่างาท่านที่เคยไปอินเดียในคราวก่อนๆเนี่ยอาจจะสมาทานแค่ศีลห้าใช่หแต่นี้ศีลห้า ศีเนี่ยจะมีผลที่เกี่ยวกับการทําจิตให้สงบมากหรือน้อยอันนี้มันจะมีส่วนอยู่เพราะฉะนั้นเพื่อให้การปฏิบัติของเราเนี่ยคือเหมือนกับเป็นการไปปฏิบัติธรรมนอกสถานที่เลยแหละว่างงั้นก็ได้นะเพื่อให้มันได้เต็มที่เนี่ยก็จิงที่ว่าสมาทานสีแปดกันแต่ตรงจุดนั้นเราก็สมาทานสีแปดที่ใต้ต้นพระศีรษะอาโพแล้วก็เริ่มต้นการฟังพระสูตรแต่พระสูตรที่ได้นํามาพูดคุยกันเพื่อให้คณะที่ไปปฏิบัติธรรมร่วมกัน164คนเนี่ย ได้รับทราบเรื่องราวของการที่จะมาเป็นสัมมาสัมพุท ธ, ธาได้เนี่ยก็ตั้งแต่ตอนออกบวชแต่ว่าท่านทําไมถึงคิดจะออกบวชแต่ทนะ่านมีความคิดว่าอย่างไรได้เห็นเรื่องราวต่างๆอย่างไรนะมีความสุขอยู่ในชีวิตของความเป็นคารวาสที่เป็นพระราชาเป็นเจ้าชายถูกไหมเป็นเจ้าชายที่จะครึ่งครองราชต่อไปเนี่ยเป็นมกุฎราชกุมารเนี่ยมีความอยู่สะดวกสบายมีประสาทสามหลังนะแต่ละ ระดูไม่เหมือนกันแล้วนะก็มีคนคอยปฏิบัติบมเรออะไรต่างๆแต่ก็ยังเห็นสิ่งเหล่านั้นเนี่ยโดยความเป็นของน่ากลัวนะเพราะว่าเรื่องของกามนั่นเองและบุคคลที่ถูกกามเคี้ยวกินอยู่เนี่ยแม้ต่อให้คุณคิดเป็นยังไงก็ตามมันก็ยังเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะมีความกลัวภัยคือกามนี้อยู่ในจิตใจของบริษัทตอนนั้นก็เลยออกบวชนะมีความคิดที่จะออกบวช ออกบวชเสร็จแ ล, แล้วก็ได้ไปเล่าเรียนล่ำเรียนวิชามีการสแสวงหาจากบุคคลอื่นไม่ง่นั้นเถอะนะ <c oughs> สแสวงหาจากอรรถดาบทผู้กลมโคตรกับอุธกะผู้รามบุตรจะถึงสมาธิในขั้นแบบต่างๆพูดง่ายๆก็คือฌาน8ในได้ทั้งหมดละฌ า, าน 1, 2, 3, 4ไปจนถึงอากาสารนัญจา ย, ยตนะ นจนถึงอานกินจัญญายตนาแล้วก็ในวัสสัญญาณาสัญญายตนาขึ้นไปจนครบถ้วนในฌานสมาธิทุกขั้นแต่ก็ยังไม่เห็นว่าตรงนี้จะเป็นทางตรัสรู้เพราะว่ายัางเห็นความไม่เที่ยงความที่มันยังเปลี่ยนแปลงได้ในสมาธิขั้นนั้นๆอยู่ เ, เรื่องราวที่มากำลังพูดอยู่นี้เนี่ยนะคือคือสรุปย่อมาจากพระสูตรที่เราเอามาให้ผู้ปฏิบัติฟังอยู่ที่ใต้ต้นพระศรีมาโบนะ เพราะว่าที่นั่นเนี่ยเราก็มีการใช้เครื่องเสียงเสียงพอประมาณให้ผู้ที่ร่วมคณะกันไปเนี่ยได้ฟังสิ่งที่เป็นพทุทธพจน์ที่ท่านตรัสเล่าถึงประวัติของตัวท่านเองมาในพระสูตรต่างๆตามหนังสือที่หลว ง, งพ่อท่านพุทธทาเนี่ยท่านเคยรวบรวมมาไว้แล้วก็จะมีจุดตรงนั้นตรงนี้เพิ่มเติมขึ้นมาบ้างจากคือบางทีบางจุดมันก็มีส่วนเสริมเพื่อให้เนื้อหามันครบถ้วนก็จะเอาจากส่วนต่างๆเราเนี่ยมา หนังสือทุกท่านจะได้รับที่เดินทางไปด้วยกันนี่คือหนังสือธรรมะจากชมพูทวีปันจะเป็นเรื่องราวที่เอาพระสูตรต่างๆเรานี่มามารวมกันเป็นเรื่องที่ท่านเล่าให้ฟังตามสถานที่ต่างๆอย่างนี้ค่ะพูดถึงบรรยากาศในการที่ฟังพระสูตรไปด้วยเนี่ยนะคะท่านผู้ฟังทุกคนก็ทําสมาธิไปด้วยเลยใช่ตามที่ครูบาอาจารย์บอกว่าให้ถวายเป็นพุทธบูชาซึ่งเป็นการบูชา สูงสุ ด, สสดแต่ว่าบรรยากาศเนี่ยนะคะเราก็จะอยู่ท่ามกลางของคนที่ต่างคนต่างมาเป็นคณะคนไทยอื่นๆก็มีมเป็นคณะของชาวพุทธชาติอื่นๆที่แต่ละชาติก็จะมีวิธีในการที่จะบูชาแตกต่างกันไปคือเสียงสวดมนต์นี่ก็ต่างนะคะแล้วก็บางคนก็จะมีเคาะเครื่องด น, นตรีอย่างถ้าเป็นพระทางที่เบสก็จะมีวิธี แสดงความเคารพใช่ไหมครับพระพุทธเจ้าในลักษณะที่เลื้อยตัวไปเขาเรียกว่าวิธีอะไรนะคะท่านคะคือชื่อเต็มเดัน ม, มาจะไม่ได้นะแต่ว่าเป็นการกราบด้วยองค์แปดอย่างแต่เก็จะมีชื่อเรียกของเขาอยู่คือกราบไปทั้งตัวเลยอะ่ะตัวราบไปกับพื้นอย่างเงี้ยนะค่ะก็จะมีท่าตางเขาแล้วก็ทุกคนเนี่ยในเมื่อไปนั่งปฏิบัติกันอยู่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ถึงแม้ว่าจะเป็นรุ่นที่สี่ที่สืบทอดมาจากต้นเดิม ทุกคนก็ยังมีความรู้สึกว่าใบโพทุกใบเนี่ยมีค่าดังนั้นเวลาใบโพร่วงลงมาจากต้นเนี่ยก็จะเก็บกันใหญ่เลยเดี๋ยวฉันไม่ใช้คำว่าแย่งเก็บละกันเพราะว่าผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่แล้วนี่จะถ้อยทีท้อยอาศัยนะคะหยิบของตัวแล้วก็มีจิตใจดีมอบให้กับคนข้างๆด้วยแต่ตอนหลังเนี่ยเดีย๋ยวฉันก็เจอผู้ปฏิบัติจากคณะอื่น เรากำลังปฏิบัติกันอยู่ใบโพร่วงทีเนี้ยมาเก็บกันชุนละมุนวุ่นวายแล้วก็มีเหมือนกันไม่ทราบว่าท่านจะรู้สึกหรือเปล่า <c oughs> เป็นบรรยากาศที่ดีนะคะอืมคือช่วงช่วงฤดูเนี้ยเออเป็นช่วงที่ใบโพก็จะผลัดใบแล้วก็จะผลิใบใหม่อยนะ่างเงี้ยค่ะปีหนึ่งก็จะช่วงประมาณกุมภาปลายกุมภาต้นมีนาจะเป็นช่วงที่ต้นโพก็จะเปลี่ยนใบถ้า ค, คือในช่วงอื่นๆของปีมันจะไม่ค่อยร่วงให้เก็บเยอะ เพราะนั้นช่วงนั้นดีมานจะสูงแต่พอช่วงนี้เนี่ยก็อย่างที่เราเห็นว่าก็จะมีคนเก็บบ้างอาจจะมีวิ่งไปวิ่งมาบ้างแต่ว่าไม่ได้ถึงกับวุ่นวายก็พอไปได้เพราะว่ามีใบโพร่วงมาอยู่เป็นก็เรียกว่าหลายใบทีเดียวนะทุกคนน่าจะได้กันหมดเดี๋ยวเคยไปครั้งอื่นๆเนี่ยไม่หล่นหมดเลยนะคะท่านคะอ่าช่วงนั้นดนมานสูงรอดหูรอดตาหรือว่าร่วงมาได้ยังไงอยู่ใบเดียวเนี่ย มองหน้ากันทุกคนเลยนะคะต่างคนต่างมองว่าใครจะเป็นคนได้ไปอืทีนี้อมาถึงอีกตําแหน่งหนึ่งนะคะที่ดิฉันสังเกตว่าจะมีผู้คนเนี่ยต้องจ้องที่จะเข้าไปอยู่ตรงจุดนั้นก็คือการจะไปอ่าทําความเคารพพระแท่นวัชระอันซึ่งอยู่เบื้องหน้าของพวกเราที่ปฏิบัติกันอยู่ค่ะอืมอตรงนี้ก็จะเป็นตําแหน่งคือ โคนต้นโพลเลยตรงตำแหน่งที่พระพุทธเจ้าท่านนั่งตรัสรู้น ะ, ะแต่แต่หมายว่าต้นโพลต้นแรกน ะ, ะนี่คือต้นที่4ี่ก็เขาก็ตำแหน่งนั้นเป็นตำแหน่งที่เป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ตรงนี้เขาเขาจะสร้างรั้วรอบเอาไว้เป็นรั้วโลหะนะรอบเอาไว้ไม่ให้คนเข้าไปข้างในดังนะนั้นคนก็ส่วนใหญ่ก็จะไปนะอยู่รอบรั้วตรงนีนะ้ที่มี3ด้าน แล้วอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเจดีใช่ไหเจดีตั้งเป็นใหญ่เบเริ่มเลยแล้วก็มีต้นโพถัดมาในะระหว่างพื้นที่เล็กๆระหว่างเจดีกับต้นโพตรงเนี้ยก็จะมีเขาก็จะทำแท่นเอาไว้นะเป็นแท่นทองคาที่เป็นสมมุติเป็นเครื่องหมายให้ใหนิมิตเห็นว่าพระพุทธเจ้านั่งตรงนี้นะเป็นเครื่องหมายที่ให้เรารับทราบกันแล้วรอบนี้อีกสามด้านนะรอบด้านหน้านี่ก็จะเป็นเจดีใหญ่ใ่ไหม อีก3ด้านเขาก็จะสร้างรั้วรอบปิดเอาไว้เพราะฉะนั้นคนคส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่รอบสามด้านนี้ไปได่อที่จทำการบูชาต่างๆไปปิดทองอ่วนใหญจะปิดทองไม่มีคนจุดธูปนะคะเท่าที่ดิสันสังเกตแล้วก็วางมาลาในลักษณะต่างๆแล้วก็ที่เกือบร้อยเปอร์เซ็นตของคนไทยนะคะจะต้องทำาต้องเอาสีสในไปนแนบกับบริเวณรั้วนาคะ เพื่อที่จะให้สีสันในติดทองศักดิ์สิทธิ์ที่เราเชื่อเป็นอย่นั้นกลับมากันนี่ยก็คือตรงนี้นมันก็ก็จะเป็นตำแหน่งที่ใกล้ที่สุดที่จะเข้าไปได้ค่ะแล้วเขาก็เลยนิยมไปทําอย่างนั้นกันค่ะแล้วก็จะเวียนประทักศิลกันก็มีนะคะพอเสร็จจา ก, การนั่งสมาธิหลายคนก็ไปเดินเวียนกันบางคนก็เดินอยู่ตั้งแต่ตอนต้นหรือคณะอื่นเขาเดินมาก็เลยไปร่วมกับเขาเขาก็จะสวดอิติปิโสถ้าเป็นคนไทยนะคะอือ ค่ะะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบการบูชาที่ต่างคนก็ต่างทํากันไปคือคือสถานที่ที่เ อ, อเรียกว่าเป็นที่ที่ควรเห็นของบุคคลที่มีความศรัทธาเนี่ยก็คือเนี่ยที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าค่ะฉั้นได้สอบถามเพื่อนที่ไปด้วยกันนะนะคะว่ารู้สึกอย่างไรบ้างเขาบอกโอ้ทั้งที่ปฏิบัติยากเนื่องจากว่าต่างคนต่างก็ ส่งเสียงเพื่อให้คณะของตัวเองได้ยินมากที่สุด uh huh. มีอยู่คณะหนึ่งแหละเครื่องเสียงดังจังเลยแต่ว่าเพื่อนดีนีก็บอกว่าปฏิบัติได้ดีนะโดยเฉพาะการฟังพระสูตรเนี่ยได้ช่วยทำให้การนั่งสมาธิดีขึ้นเขาว่าอย่างนี้นะคะค่ะเดอันนี้คือถ้าเราทราบเรื่องราวนะคือการเดินทางไปในแต่ละครั้งเนี่ยสิ่งที่สาคัญก็คือว่าเราต้องทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะสถานที่นั้นๆ นะไม่ว่าจะเป็นสังเวชนีสสถานหรือว่าที่อื่นเช่นสาวัตถีหรือราชกระเนี่ยที่ไม่ได้เป็นสังเวชนิสสถาน4ี่หนึ่งใน4ที่ที่ทพระพุทธเจ้าบอกเนี่ยนะแต่ถ้าเราท ร, ร, ราบ เ, เ, เ, เรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นที่นี่แต่พอเราทราบเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นที่นี่แล้วเนี่ยมันจะมีความรู้สึกแบบอินไปด้วยอินไปในเรื่องราวนั้นที่เคยเกิดขึ้นสถานที่ตรงนี้หอดินตรงนี้เหรอที่พระพุทธเจ้าเคยเหยียบในพระสูต์นี้เหรอที่ท่านเคยอธิบายอย่างเงี้ยแล้วบางคนที่จะเล่าเรื่องราว แบบนี้ได้ดีที่สุดเนี่ยก็ต้องตัวท่านเองใช่ค่ ะ, ะโดยเฉพาะตอนที่ไปกราบพระแท่นวชชะอาจกันใครที่เคยเคยอ่านเคยทราบถึงพระสูตรที่ตั้งสัตว์อธิษฐานเนี่ยฉันว่าโอ้กินใจมากนะคะใช่ใชโอ้ตรงนี้เหรอพระพุทธองค์ได้อธิษฐานกับตนเองว่าหนังเอ็นกระดูกจักเหลืออยู่เนื้อเลือดในสรีระจักเกือดแห้งไปก็ตามที ประโยชน์ใดอันบุคคลจะบรรลุได้ด้วยกําลังด้วยความเพียรด้วยความบากบั่นของบุรุษถ้ายังไม่บรรลุประโยชน์นั้นแล้วจกอยู่ความเพียรเสียเป็นไม่มีออืก็เป็นกําลังใจเลยนะคะว่าองทําตามพระพุทธองค์ใช่แล้วบุคคลที่ อ, อได้เคยไปมาแล้วนนเนี่ยนะอย่างกระด้าของเราทั้งหมดเนี่ยคือถ้าหลับตาลงแล้วเรานึกถึงพุทธพจน์บทต่างๆเนี่ยมันจะแหมมีความซาบซึ้งใจ เพราะเราได้เคยไปเห็นมาแล้วอย่างเงี้ยใช่ค่ะนะคะแล้วพอหลังจากที่ปฏิบัติบูชากันพอหอมปากหอมคอแล้วท่าอาจารย์ก็จะบอกว่าให้ตามผู้นำคณะซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นอาสาสมัครไม่ใช่ใก้อาชีพเลยนะคะบางคนเป็นวิศวกรโยธานดิฉันสัมภาษณ์เพราะว่ารายการชีวิตไม่สิ้นหวังของคุณสมนึกเนี่ย ไ, ได้ไปทารายการด้วยอืมท่านก็บอกว่า การมาเนี่ยได้ประโยชน์เพราะเวลาทำงานเนี่ยเป็นหัวหน้าคนอื่นเขาสั่งคนอื่นแต่พอมาถึงที่นี่เนี่ยต้องเป็นผู้รับใช้ให้คณะเดินทางสั่งให้ทำโน้นทำนี่ยกกระเป๋าบ้างอะไรบ้างนะคะค่ะและท่านเหล่านี้ก็จะพาไปชมสัตตะมหาสถานใช่ไหมคะใช่บริเวณนั้นค่ะคือสถานที่สเสวยวิมุติสุขที่ยิ่งใหญ่เจ็ดแห่งหลังจากตรัสรู้แห่งลาอาทิตดิฉันเองไม่ได้ไปใครเขาแล้นะคะ แต่มีสัญญาเดิมๆที่เคยไปแล้วก็มาอ่านหนังสือใหม่ประกอบเพราะว่าก็ได้มีโอกาสสนทนากับท่านพิบูลเพื่อมาออกอากาศให้คนที่ชมรายการโทรทัศน์ช่องสาชีวิตไม่สิ้นหวังได้ทราบถึงการเดินทางในครั้งนี้แต่ก็ไม่เสียดายเลยครัเพราะว่าก็ได้ประโยชน์ในการที่สนทนาเยอะเอาไว้คอยติดตามกันก็นแล้วกันนะคะสําหรับผู้ที่อยากชมโทรทัศน์ด้วยต่อไปค่ะท่านคะจะเล่าถึงอะไรต่อกันดีในที่พุทธคยา ก็คือตำบลที่พระพุทธเจาตรัสรู้เนี่ยท่านอธิบายถึงสถานที่ทําไมท่านถึงตัดสินใจมานั่งตรงนั้นเพราะว่าบริเวณนั้นเนี่ยเป็นที่ที่มีหมู่บ้านอยู่พอสมควรไกลออกไปพอสมควรเป็นที่ที่มีชัดป่าเยือกเย็นแม่น้ําไหลใสเย็นจืดสนิทมีหมู่บ้านที่สําหรับเข้าไปบินทบาทได้ไม่ไกลเกินไปแล้วก็อยู่เป็นราวป่าที่จะเงียบสงบได้มีท่านน้ําดีอธิบายไว้ตรงนี้เป็นที่ที่ ควรทำความเปลี่ยนด้นานอธิบายไว้ในบริเวณนั้น <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าสภาพเดี๋ยวนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นนะมันปเปลี่ยนแปลงไป <S <S และทำให้เราเห็นถึงความไม่เที่ยงเ น, น, นี่ <S <S นหนึ่งแน่นอนแค่สองพันกว่าปีแล้วยิงถ้าเกิดไปจากเมืองไทยตอนนี้ก็เรามีข่าวแรงๆน้ำน้อยอะไรเงี้ยนะคะไปเห็นที่นั่นแล้ววิตกหนักเลยค่ะโอ้หนแม่น้ำเนรัญชาราเนี่ย เคยมีน้ำเยอะๆที่เราเรียนกันมาใช่ไหมคะใช่ใช่ตอนนี้นี่แทบจะเป็นพื้นแผ่นดินทั้งหมดเลยก็ว่าได้เป็นเป็นทรายไปค่ะอืมเป็นทรายนี่ก็เป็นปอีกเหตุหนึ่งใช่ไหมคะที่ท่านคือเป็นเป็นอีกที่หนึ่งที่จะทำให้เราเกิดความรู้สึกถึงความอนิจจังใช่ความไม่เที่ยงได้มากที่สุดแล้วพระพุทธเจ้าพอหลังจากตรัสรู้แล้วอยู่ที่นั่นประมาณสักเจ็ดสัปดาห์แล้วก็ ไปจากที่พุทธคยาเนี่ยก็ไม่ได้เสด็จกลับมาที่นี่อีกนะไม่ได้คือเสด็จกลับมาที่ต้นโพนี่อีกไม่ได้มานะแต่แต่กลับมาที่ตําบลอูรุเวลาใกล้ๆกันแต่กลับมาที่นั่นเพื่อที่จะเทศให้ชลินสามพี่น้องฟังแต่ว่านะตําแหน่งที่ต้นโพนี่ไม่ได้มาอีกแล้วอ๋อค่ะไม่ทราบว่าเพราะเหตุผลใดคะท่านค่ะเอก็ทําหน้าที่ของพระพุทธเจ้าแล้วตอนนั้นอ๋อคือนะมัอนก็ว่าไปแล้วแล้วกัน่ค่ะคนอยู่ที่ไหน สาวกจะอยู่ที่ไหนไปที่นั่นเพื่อที่จะให้เขารู้ทำได้บุคคลผู้มีทุลีนในดวงตาน้อยอยู่ที่ไหนไปที่นั่ น, นะะแล้วเราก็ไปตามทางของพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันใช่ซึ่ง เ, เราก็ไปที่เมืองราชคฤห์เมืองราชคฤห์ซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะใช้คำว่าราชเกียรรเอเจจไออราชเกียรใช่ที่เมืองราชคฤห์ซึ่งก็มีสถานที่สำคัญ อยู่ในที่นั้นเช่นวัดเวรุวันที่นี้ที่เป็นที่ที่เราไปนั่งสมาธิกันมา <Okay. S 1> ที่ขึ้นภูเขากิชกูฏอันนี้เราก็เดินขึ้ น, นกันมา <Okay. S 1> มีกาลาศิลาที่เป็นที่ที่ปณิธานของท่านพระมหาโมคคลานะมีสวนมะม่วงของหมอชีวกโกมรารพัฒอันนี้แสดงพระสูตรสาคัญคือสามัญญผลสูตรมีสวนตาล น, นุ่ม ที่พระเจ้าพิมพิสารมาพบกับพระบรมเจ้าร็ยังมีที่อื่นๆเช่นตปโธารามที่เป็นการทําสังกายนาครั้งแรกนะอันนี้เป็นที่ที่ต่างๆที่สําคัญๆในบริเวณเมืองราชกฤษ์ที่เราก็ได้ไปมาอย่างตอนไปที่ยอดเขาคิจกูดบริเวณคันทะกุดีอืที่เชื่อว่าเป็นกุฏิของพระพุทธองค์ อยู่บนยอดเขานั่นนะคะเบียนานดิฉันรู้สึกมีความขลังมากค่ะเที่อถึงหลายหลายคนก็นั่งสมาธิได้อย่างดีมากเลยนะที่ตรงนั้นใช่ค่ะคือทั้งผังคะคณะของเราก็เหมือนกับที่อื่นๆ น, นะคะได้ไปนั่งสมาธิถวายเป็นพุทธบูชาพระพุทธองค์เช่นเดียวกันนั่งแล้วจึฉเข้าใจว่าสำคัญที่สุดเหตุผลหนึ่งก็คือเรารู้ว่าตรงนี้พระพุทธเจ้าเคยประทับกับ อีกอย่างหนึ่งก็คือบรรยากาศที่ดีนะคะลมเย็นสบายอยู่บนยอดเขาย่อมๆที่มองเห็นสภาพแวดล้อมเจริญหูเจริญตาค่ะใช่ใช่เสนาสนะก็มีความสําคัญเรื่องของสปายะเสนาสนะที่พระพุทธเจ้าเคยตรัสว่าเอออยู่ตรงไหนที่ไหนแล้วเอสมาธิที่ยังไม่ตั้งขึ้นก็จะตั้งขึ้นได้ควรจะอยู่ที่ตรงนั้นไปตรงนั้นที่เขาขกิจกูรนี่ก็เป็นลักษณะนั้นเหมือนกันค่ะ เดี๋ยวฉันได้อ่านในประวัตินะคะก็บอกว่าเป็นที่ประทับส่วนพระองค์ในพรรษาที่35และ7แล้วก็พรรษาสุดท้ายก่อนที่จะปรินิพพานมีพระสูตรมากมายที่ได้แสดงธรรมที่นี่ <S <S ใช่ใช่เนื่องเพราะว่าทางที่เราจะขึ้นไปที่บนยอดเขากิจ ก, กุดเนี네่ยต้องอธิบายให้ท่านผู้ฟังที่อาจจะยังไม่เคยไปหรืออาจจะไม่เห็นภาพทราบนิด น, นึงเราก็จะเดินมาตามเนินเขา <K S 1> แต่ซึ่งเนินเขาที่เราเดินมานี่คือเขาเวปุลาเขาเวปุละ ภูเขาชื่อเวปุละเดินมาตามทางไปเรื่อยๆก็ชันก็ประมาณสัก15บหาองศาอะไรประมาณนี้นะขึ้นไปค่อยๆเดินขึ้นไปที่ชันมากกว่านี้หน่อยก็จะมีชันน้อยกว่านี้หน่อยก็จะมีเนี่ยไปตามทางเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นร่องน้ําระหว่างภูเขาเดินไปสักประมาณ20่นาทีและมั้งประมาณนี้จนกระทั่งไปถึงร่องเขาแห่งหนึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นรอยต่อของภูเขาเวปุละเพื่อที่จะข้ามไปเขาคิจกูดเนี่มันจะมีอยู่ร่องน้ําระหว่างภูเขา พอข้ามไปเสร็จปุ๊บก็ต้องเดินขึ้นไปอีกตรงนี้ก็คงประมาณสักเหลือแค่1ใน5หรือ2ใน5ประมาณนี้เพื่อเด้ต่อขึ้นไปเขาคิชกูดเนี่ยจากตรงนี้ไปก็คือถึงจะเริ่มเข้าภูเขาวเวปูลาละตรนี้ถ้าเรายืนอยู่ตรงภูเขากิชกูดเนี่ยตรงตำแหน่งที่ท่านพระพุทธเจ้าเคยประทับปกติของท่านเนี่ยนะเรามองมาก็จะเห็นภูเขาวเวปุลาทัานทีแเพราะนั้นพระพุทธเจ้านั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยท่านก็จะอธิบายเรื่องราวต่างๆโดย ยิอุปม า, มาอปไมยเช่นภูเขาบ้างเอาภูเขาวเวปุลามาสอ น, นาว่าเอ้ากองกระดูกของคนเนี่ยถ้ามันเอามากองรวมกันได้ถ้าเป็นสถานที่ดีพอจะเอามากองรวมกันได้เราเกิดมาแล้วตายไปชาติหนึ่งเอากองกระดูกมารวมกันเกิดมาเป็นคนแล้วตายชาติหนึ่งเอากองกระดูกที่สองนี้มากองรวมกันเนี่ยกองกองกองกองรวมกันรวมกันเนี่ยจนกระทั่งใหญ่ถ้าภูเขาวเวปุล่าเนี่ยขับหนึ่งยังไม่สิ้นไปเลยอมันก็เปรียบเทียบให้ฟังบ้างหรือมองลงไป ในผืนดินข้างล่างเนี่ยดูสิปร ะ, พ, ประพีมันใหญ่ขนาดนี้นะถ้าเอาเม็ดทรายเม็ดดินนะมาปั้นเป็นพ่อนะเท่ากับลูกผลกบเบลาอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็สมมุติว่านี้เป็นพ่อของเรานะจนกระทั่งแผ่นดินหมดโลกเนี่ยหมดชมพูทวีปเนี่ย พ, ออพ่อของพ่อของพ่อแล้วของพ่อเนี่ยก็ยังไม่หมดอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันเกิดมามันยาวนานมากพอดก็เอาเรื่องราวนี่ยมาสอน แล้ที่ภูเขาคิชกูดเนี่ยก็มีเรื่องที่น่าสนใจนหลายๆเรื่องเพราะว่าทางที่เราเดินมาจากภูเขาเวปุระข้า ม, มาจนถึงภูเขากิชกูดเนี่ยก็จะมีตำแหน่งที่ท่านพระเทวทัตเนี่ยกลิ้งหินลงมาเพื่อที่จะร อ, อบฆ่ า, พ ร, าพระพุทธเจ้าน ะ, ะตรงนั้นก็จะมีตำแหน่งที่โหมันมีหินใหญ่อยู่นะแล้วก็นักโบราณคดีเขาก็คาดว่าตรงตำแหน่งนี้แหละที่ว่าจะ เทวทัตจะมารอบทำร้ายพระพุทธเจ้าค่ะแล้วก็จะมีถ้ำอันเป็นที่พักของพระมหาโมคลานะแล้วนะก็อยู่ก่อนถัดไปก็จะเป็นของท่านพระสารีบุตรนะถัดขึ้นไปแล้วคงขึ้นไปก็จะเป็นของพระพุทธเจ้าตามแล้วก็จะมีที่พักของท่านพระอานนุนะที่เป็นอุปถากอยู่อีกจุดหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะโบราณดีเขาก็ค้นพบนี่เขาก็ ให้เป็นเครื่องหมายเครื่องหมายาไว้ค่ะซึ่งอาจจะมีผู้ที่เตรียมทองคําเปลวไปนะคะ <laughs> ก็จะไปกราบแล้วก็ไปปิดทองไหว้ตามถ้ำต่างๆรายทางของสาวกสําคัญสําคัญดังที่ได้อ่อ่ยนา ม, มาแล้วโดยท่านเพบูรณ์เนี่ยกันเป็นระยะๆก็ทําให้ไม่เหนื่อยดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าตัวดิฉันเองเคยไปมาก่อนครับท่านคะคราวก่อนนู้น ดิฉันยังเดินรวดเดียวถึงยอดเขาเลยนะคะในขณะที่เพื่อนๆหลายคนต้องเป็นมหาราณีรามหาราชาให้เขาแบกเสลี่ยงขึ้นใช่ไหมคะแต่พอไปครั้งเนี้ยเราก็คิดว่าเราไหวอืเดินไปหยุดไปตลอดทางเลยค่ะก็ได้สลดสังเวชอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าสังขารไม่เที่ยงนอเนี่ยแล้วคุณโยมติวลองคิดดูนี่คือเส้นทางที่พระเจ้ า, าพิมพิสารเนี่ยเวลาจะมาหาพระพุทธเจ้ า, าก็เดินมาต่างๆนี้เพื่อที่จะขึ้นไปที่เขากิชกุฏ แต่ว่าด้วยความเป็นพระราชาเนี่ยหรือเปาก็นั่งเกี้ยวนั่งเสลียงมาอย่างนี้แหละแล้วก็จะมีจุดที่ท่านลงจากเสลียงแล้วก็เดินไปด้วยเทา้านั่นคือพระราชาพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยนะพอนั่งเกี้ยวมาหรือขึ้นช้างมาจนถึงที่ช้างมันจะไปได้ลงจากช้างอาจจะมีคนแบกเกี้ยวมาจนถึงจุดหนึ่งก็ลงจากเกี้ยวถอดเครื่องทรงพระราชาข้าขราชบริพานรออยู่ตรงนี้แล้วก็เดินไปหาพระบทมเช่าเพื่อที่จะฟังธรรมก็ตามเส้นทางที่เราเดินมา ในที่ขึ้นเขากิจจกูดค่ะแล้วทีนี้ในเมืองราชเกลือที่สําคัญนอกจากเขากิจจกุดอย่างที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือวัดเบรุวนันซึ่งเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาค่ะเนะซึ่งประเพณีในการที่จ ะ, ะการให้ของสําคัญสําคัญแล้วมันชิ้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยเขาก็จะต้องมีเหมือนกับการทําเป็นรายละอักษรหรือว่าการทําเครื่องหมายหรือพิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งในสมัยก่อนก็จะเป็นอย่างนี้เช่นว่าถ้าจะให้ช้าง หรือจะให้ที่ดินเนี่ยเขาก็เอาน้ํารดในมือกันนี้จึงเป็นประเพณีเกิดมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลโน้นอนะ่ะนะเพราะฉะนั้นตอนที่พระเจ้าบิพิสาสเนี่ยถวายเวรุวันนั่นคือสถานที่แห่งเนี้ยเพื่อให้เป็นที่ที่พระพุทเจ้าจะได้มาประทับไม่ไกลจากเมืองเกินไปใน ก, กิจกุฎเนี่มันไกลจากเมืองไปหน่อยเอางั้นก็มาอยู่เวรุวันใกล้หน่อยคนอื่นคนอะไรจะได้มาฟังธรรมะได้แต่การถวายครั้งนั้นเนี่ยก็ใช้ จังหวะที่พระพุทธเจ้าฉันเสร็จแล้วก็ล้างมือท่านแล้วก็ในขณะที่ล้างมือท่านอยู่เนี่ยก็ปรารภที่จะถวายเวรุวันนี้ให้โอค่ะเดี๋ยวตรงนี้ก็จึงเป็นประเพณีที่ว่าก็มีการแบบเอาน้ำรดในมือเป็นอย่างนี้ไปอ๋อค่ะแล้วก็มีพระสูตรหลายๆพระสูตรเกิดขึ้นเหมือนกันได้ยินว่าโอวาทปาติโมก็แสดงอยู่ที่นี่ถูกต้องถูกต้องค่ะเมื่อเราสาวกเขา มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายพระบริเช้าก็จึงอธิบายหลักธรรมสำคัญๆญนะก็ที่เบรุวันแห่งนี้ลหละที่พูดถึงว่าโอวาทปาติโมะเราก็เป็นสถานที่ที่ได้พบอัครสาวกสองรูปท่านพระสารีบุตรแล้วก็ท่านพระมหามโมคคลานาที่นั่นค่ะนะคะแล้วก็อีฉันติดใจตรงที่บอกว่าพระพุทธองค์ได้บรรัญญัต พระวินัยเรื่องห้ามคนเป็นห้าโรคบวชเพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่นั่นคือมีคนเป็นโรคติดต่อเนี่ยโรคเือนโรคมงคล้อยงไรก็ไม่รู้นะคะโรคมงคล้คือโรคทุ่มลมโป่งพองอ๋อค่ะโรคกลากโรคขืดท่านก็บอกว่าถ้าเป็นกันแล้วมาอยู่ที่เดียวกันรักษาไม่หวัดไม่ไหวดังนั้นไม่ให้คนห้าโรคนี้บวช ยังใช้มาถึงวันนี้ไหมคะทุกต้้งทุกต้้งยังเป็นอย่างนี้อยู่อ๋อค่ะนะคะท่านฟังพระพุทธองค์นั้นจะบัญญัติวินัยก็ต่อเมื่อส่งพบว่าเกิดปัญหาขึ้นก็เป็นอันว่าวันแรกที่เราเล่าเนี่ยยังเดินทางไปได้ไม่ไกลนะคะจากสถานที่ตรัสรู้ก็ไปได้ที่เมืองใกล้ใลราชครึที่มีเวลุวันกับเขาคิดชกูรพรุ่งนี้ จะเดินทางกันต่อนะคะติดตามการเดินทางไปสังเวชนียสถานกับวัดวาดอนหายโศกและพระมหาภัยบุญอภิปุณโนกันต่อนะคะสำหรับวันนี้รายการสันสนิสนทนาลากันไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะพุทวารสวัสดีค่ะ